ครอวกลารคือเขาก็วำขายกั้งแต่ข้างกันมั่งเลยเาเชื่อข้งร้อยหมดถึงม่มดึงเลยถ้าคพิ่งึงขึ้นเป็นไปไม่ได้แล้วข้างกะแมกกะเป็นึงขึ้เป็นวกเป็นตําเป็นวัตถจักเป็นยาเสติดอะไรเป็นภพ่กรอกการพูดปฏิบัติธรรมแล้วมรรคผานแล้วข้างกันมั่งจะเป็นองค์องหนึ่งเท่านั ที่จะแทรกทันท่ก็เอวนุ่งกว่าใสเก็อื้เป็นกระเีค่าถ้ามันเกินระมาอะไรมันก็มันก็เป็น่ายกันเละแม้แการอาหารกรลองกินเกินมามาก็คือท่านที่สองมัการยุิการือมัดกาัเพาะเชื้อมักาัยุิกาก็ขึ้นมาเลยตั้งหน่อย เ็นวคือวิเยคือก็เป็นไอ้ขั้นจะเป็นแต่ใจสวยงามมันก็เป็นได้มันกลางอาหารเราไปอาหารเนิงจนจะให้ตายมันก็ตายายลาใช้เงยประมาณนัมร่อของดีกัรใช้เงประมาณอยนี้งานวกงมาทถกงายอย่างปากคู่มันเป็นค่าขูดกับกรรมเป็นกรรมนักคกงไหนเราก็ไม่เห็น ทำอย่างการปฏิบัติธรรมรั้งมาดูมันก็ปฏิบัติได้ น, นะขัตติก็มีอยู่นีปั ญ, ญ้าก็มีอยู่นี่ากรู้ไหนมาทำลายขัตติปัญญาได้หมากรู้ไหนมันมาทำลายความเปลี่ยนเราได้นะ สติก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่นี่มากชิ้ไหนมาทําลายสติปัญญาได้มากชิ้ไหนมันมาทําลายความเปลี่ยนเราได้มาไม่รูจากการ้จะกั้นกลางไม่เห็นมันผุผ่านมันจิดกันได้จริงๆเหรอแล้วก็มองไม่เห็นเนี่ย พวกยุบพวกแก่พวกอวดดีบอวดดีในเรื่องาการฉันหมากมันเป็นภยัยนี่คือตัวไื่ตัวนี้ตัวมันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากมันอยู่าเป็นศุกร์ก็จะอวดโลรคของธรรมดาฉันธรรมดาตามหลักประเพณีที่เคยเป็นมาธรามรมดาธรรมดาของชาติของถานของประเพณีไม่ทา สิ่งทาอะไรให้เสือมให้เสียนั่นจะเป็นอะไรนะมาหาเก่าอะไรที่มันไม่ขันอันนี้ตรงตรงมันขันขันทำไมไม่เ ก, าก่าควมีพวกยู่ยแบบพวกเกาะพวงก็ทำไรถ้าเที่ยวรับที่รัดที่นั่นอย่าว่างนั้นเลยเราว่างนั้นนะ ที่งานจมของใจของยุนอะไมันทำให้ศีลทำตรงไหนบกกล่องไปมันก็เห็นอยู่แตวิเศษวิสก็มันนีมันก็ไม่เห็นอยู่ความเคยกินกับทำไปั่นแหละแต่ยังไงนแต่ว่ามันติดนุ้ก็ไม่เห็นติดาอจะไปทําดารรคผลนิพพานนีขาดทะบ้านลงไปถ้าสมมติพูดแผลนิพพานแล้ว ชันหมาสุบุรีทำลายไปหมดเช่นท่านพระหารสุบุรีชันหมาเนี่พระรหารแหลกไปหมดนี่ก็เออเน่ยอย่างท่านชันมาเนี่ยองทรงมรรคผลนิพ่านร้อยกว่าศูนท่านไม่ใช่ได้รับผลนิพพานท่านหรือท่านถึงไดฉันหมาสุบุลอนหมาสุบุลีนี่ มนคุณค่า ย, ยิ่งกล่ว่าคลมิาพานที่บรรลัยไปแล้วนั่นหรือฮะเพราะมาบุหลีห่นี่ทำลายมัน ก, ก็ไม่เห็นมีเนี่ยโอเคไม่ใน่ังาสารตายเหมือนกันพวกนี้จะพวกทำลายเฮ้ยจ้าคือเห็นเหตุการณ์ทรงบัญญาติไวแล้วทุกอย่างมันยังมาแก้ใหม่ได้เห็น ถ้าไม่ใช่เทวทัตจะเป็นใคก็เทวทันผู้ผออขออิ่งขอพรห้าประการก็มาทำไมจะยกเทวทัตขึ้นมาหยีบหลวงปู่เจ้าได้ยังไงพหญญาดูห้าหมายฉันก็ฉัปฝันนี่ก็พระเทวทัตไม่ใช่เหลือไปขอจากหลวงปูเจ้าพองก็บอกเราห้ามาได้โลกมันเป็นอย่างนั้ น, นจะทาไมก็เหมือนจกันนะ้ำเอาฝ่ามือไปกันน้นน้ำมหาสมุทรนี่ยังไงก็ขันก็ทํา ม, ไ ม, าม่ได้แขันก็รักแต่ สำคัญคืออุตสาหการมสัตวเมื่อจับชนสามประการและเมื่อสิบอย่างนั้นนะมันก็บอกไว้แล้วเมื่อม้าเมื่อหมาเมื่องูเมื่อเมื่อเสือกองเสือเหลืองเสือดาวเมื่อหมีเมื่อมนุษย์อมันก็บอกไว้แล้วคือห้ามขันขันนั้นเประบาดนั้นขันนั้นเประบาดนั้นขันเมื่อมนุษย์ประบัตกลุ่มไก่นะเขาบอกไว้หมด อันนั้นก็ห้ามเมื่อเป็นอุตสาหกรมศาสตร์ที่เขาจะตรงก็บอกไปแล้วนัาา้นแต่ฉะนั้นองค์ไหนไ ม, ไม่รู้เหมือนก็ฉันได้ก็บอกกูนะก็เห็นชัดๆกันอยู่แล้วมันก็นลื้ ม, มาทําไมเทวทัตตายไปแล้วมันดับแทนเทวทัตเหรออวดอะไรสมบัติของเทวทัต ม, มาอวดทํามาอวดพระพุทธเจ้าทำไมเนี่ยใครจะไปรู้ก็ดีรู้เทา หมยิ่งกวาผู้ล้เจ้าาาเทวทัรู้ดีวชงวูเจ้ า, ก, าก็กลาเทวทัตที่สวาผู้กลงสนางกามีมก็เทวทัตสางกามีทีนั่นก็ทานั้นเองใครชอบอะไรก็เ อ, อนน า, า, น า, นานั่งไปหาคัดทานตางทานโลกที่ชาวพูดที่เขาถือตามผูเจ้าทำไมเคยเห็นนั้นพวกนี้พอ อันนี้กอง่าแล้หมายโจมตีใหญ่นะหรือว่าพูดอะไรแม่แท่านจานอุ네่ม ท, ท่านกำลังเป็นก็พอดีกับท่านจัองมาที่ผมเช่อเกันท่านจักงมาท่านกงปะกงมานีเออินทบาท่านจันอุ่มอย่าไปนะวันนี้นะเอาเลยนะถ้าไปแล้วแตกหมดประกองเทพนี่วะเขาเอาหมกห่ออบาทพวกอาหารโนทิ้งต่อหน้าเขานะท่านเอาขนาดนั้นนะท่านจันท่านจันงมาเลยให้บินให้บินอินทบาทถ้าไปแล้วเกิดเหตุนะท่านจนไมอย่าไปนะว่างัน ไมใ่ใ้ไปูสบายแนะม่ทั้งแบาพระแดงพระกาพระยักษ์พระขี้หมดไปที่ไหนตำไม่ไ้งเรื่องพระสอนนมกของพานแคนม่ยอมสอนตอนาานี้กรมทีไปทั่วโลกยินดีนนะข้าจอุ่งแลท้ทังดีหนึ่งังจากท่านอาจารย์มั่นไว้ไนานเขาไปเป็นความเห็นผิดอย่างฝังจมอย่างนี้ลากลับไปหาท่านอาจารย์น้องมัน่น้องอยู่น้องผืน ท่านก็ใส่เอาจน้งหนาวก็ดีนะท่านรู้ตัวแก้ทันทีเลยนะนี่น่าชมท่านอาจารย์มั่นท่านใส่างายอุ่นน่ะควางนี่น่ะท่านรูุ้รันฉลาดท่านมาฉันเนื้อฉันปลาผมเป็นพระยักษ์พระผีฉันเนื้อฉันลาผมไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วท่านเอาทำที่มาฉันเนื้อฉันลามาสอนผมบ้างนะผมจะได้ปฏิบัติตามท่านอืผมนี่มันโง่ท่านฉลาดเนือพระพุทธเจ้าหว่างนี่เลยนะ พระพุท้าท่านไม่ทรงห้ามการฉันเนื้อฉันป่าเว้นแต่อย่างนั้นนั่นถงทิวายแต่ท่านนี่ไม่ฉันแต่ดยประปการทั้งปวงท่านคงเก่ ง, งกว่าพุทธเจ้าเอาทําที่เก่งกว่าพุทธเจ้ามาสอนผมหน่อยสินัท่านใส่ลงไปผึป๋งๆเลยนะโอ้ยเวลาทัานพูดนึกขลังๆผมนี่มันโง่วา ง, งั้นนะถ้าไม่เว่าท่านฉลาดเลยท่านฉัอุ้มก็นิ่งเลยพอกับท่านไปแล้วหยุด งดเลยให้มาฉันชันที่แรกก็อาเจียนแล้วฉันไข่เฉยก็อาเจียนท่านก็เอาจนได้นะท่านยอมรับเือปฏิบัติตามท่านจันมั่นตั้งแต่วันนั้นบไปท่านอยู่ถ้าอุเทนก็เสียแหละแต่ท่านปฏิบัติตัวท่านอย่างท่านทจันมั่นว่าไม่ค้านท่านจันมั่นแม้คําเดียวเลยนะนิ่งเลยนะท่านจันมั่นก็พูดอย่างเต็มที่เหมือนกันนะ ก็อย่างนั้นเนี่ย น, นี่ก็แบบเดียวกันนล้ยพวกนี้ไปไหนก็ทือนโลกแล้วเพราะทำลายนี่ไม่ได้ส่งเสริมโลกม่จะ่ทำลายเยอะอหยิ่งจังหองพองขนถือตววิเศษ ว, วิโส ใครครับคนเขาเขาขนานเขาเป็นนะอันนี้ไม่สร้างเป็นยังไง น, นะถ้าารี่ผมเคยได้เกี่ยวข้องมาเป็นเป็นทูกหลางเป็นมากเป็นน้อยต่างกันพระโอทเป็นมากนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นมากคผมแต่ผมผมายกตัวอย่างขึ้นแค่มากองนี้ชื่อของพระของครูบาอาจารย์ที่มาชั้นเนื้อชั้นปานี่เป็นไปอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ แต่ก็ไปลงที่สั้นฉันมั่นนะท่านเหล่านี้ไปลงสั้นฉันมั่นทัางท่านที่เคยเป็นลูกศิษย์งท่านมา่ออกไปก็เป็นอย่างนั้นแหละจะกลับไปก็ไปไปแก้เจ้าของกับท่านฉันมั่นได้เหมือนกันท่านท่านดุจฉันเนื้อฉันป่าท่านไมาฉันเนื้อฉันปลาท่านอยูท่านก็กลับฉันตามเดิมมีหลายองค์นะของฮิปโป ค่อคววกวนก็ทำลายาศาสนาธรรมมีอยู่เห็นกันอยู่นี่นอวดตัวเก่งเลยอ้วดไปไหนก็อวดไปเถอะถ้าลงนอกจากหลักธรรมหลักวินัยของผู้ใแล้วมันมีแต่ความอวดเป็นตัวกิเลสตัวเก่งๆตัวมันกัดเก่งๆนั่นแหะไปไหนกัดด่าไปเลยยิ่งกว่าหมามันไม่รู้จะมปทางเจ้าของนะมันเก่งกว่าหมาอีก หมาไม่รู้จัของนะนอกจากมันเป็นบ้าที่นั้นเองหมาออไม่รู้จัของนะกัดกัดคนอื่นอันนี้กัดถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของเลยดูสิว่าไงท่านชิดอ่ะจะอยู่หรือจะไปมันพยยลิกกว่าเพื่อนนะท่านชิดนี่ ไม่เวลาเป็นเหมือนผีตัวหนึ่งนะมันใช้เล่นธรรมดานะนี่เห็นพักอวดเต่งตรงนี้ที่ตรงทํามานี่เลยเท่านี้แหละมองไม่ทันเลยเรานะขึ้นช่องนั้นขึ้นช่องนี้ขึ้นช่องนั้นขึ้นตรงนีนนงนนนงนน้พิ้เลิศจริงๆล้วผ้านเอาไปเผาฟไฟติ้งนะมากางลถ้าใครจะอยู่ในวัดนี้กลับไปมาศึกษานั่นนะ ไปเผาไฟทิ้งให้หมดผ้าไปกั้นไว้นั่นน่ะยามาอวดนะอันนี้มาดีวิเศษยิ่งกว่าทำเร่าสมวนธำมเรารักษาทำรักษาหัวใจพัฒนาทำไมจริงว่าต้องมาพุ่งเพ้อเหรือไม่เห็นอย่างนี้ถามตะคำไม่ได้หรือมันไปยังไงมันถึงเก่งนะักพลาหล่านี้อันนี้หรือเป็นของวิเศษวัตถุนี้หรือมาอวดทำทำไม สรรตุถีตามมีตามเกิดไม่มีเตมีภายในวัดนี้วัตถุสิ่งที่ควรจะไปปฏิบัติมันไม่มีหรือผ่านในวัดนี้อ่ะถ้ามันไม่มีจริงผมไม่ว่าใครมาถวายจากไหนจะไหนผมก็ไม่ว่านะหรอย่างน้อย ก, ก็ต้องมาศึกษาเะ ก, ก่อนเขาต้องมาถวายก็ดีนี่ผมไม่รู้เลยไปเห็นเราเลยิอย่างถึงได้รู้ว่ามันพิสดารขึ้นอย่างนี้พิสดารแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนมันแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมานะ่ะ เยียบก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ ย, ยิ่งมากนะในวัดเนี่ยจนจะดูไม่ได้นะ ว, วัดนี่มันจะแตกแหละเพียงผมซุดลงเพียงครั้นี้มันก็เห็นแล้วเรื่องราวทั้งหลายของพระพี่อวดดีอวดดีมันแสงหน้าแสงหลังขึ้นมานี่มีมากแล้วเดี๋ยวนี้มันเจ๋ง ม, มากแล้วถ้ายิ่งผมอ่อนลงไปกว่านี้แล้วก็แหลกหมดเลยนั่นอันจะมีแต่ยักษ์แต่ผีเนเต็มวัดเต็มว่ามีแต่คนรู้คนฉลาดนักปราักจอมแหลมคมแหล่ จะเต็มขึ้นในวัดหายมันควรอยู่แล้วไปเอะนะอย่าให้หนักใจนะรับไว้่เป็นประโยชน์รับไว้ทำไมผมอยู่คนเดียวผมก็อยู่ได้ี่เกิดมาก็เกิดมาคนเดียวนั่นะ ตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งใครพึ่งอะไรทั้งนั้นเในนะสาแดนโลกธาตุนี้เราไม่หวังพึ่งเราพูดของกร ง, งนี้ดูแต่ความจริงตามราธรรมชาติของความจริงต่อความจริงนั่นแหละคำพูดคําจานเราลองเป็นงานอะไรนี้มันก็หยาบไปมดุดเป็นแบบโล ก, กโลกไล่กับโลกไปอีกนึ่ เรื่องคั่วลงเพียน์น้าร้อนเนี่ยเหมือนกันมันเป็นลงสมกันเนี่ยนี่เคยพูดกี่ครั้งกี่หนแล้วนี่แต่ก่อนก็ไม่มีน้าร้อนน้ำชานอะไรไม่สนใจแต่ก่อนนี่เห็นว่าเกิดว่ามีมาพุ่งกันเลื่องรวมไปรวมไปยิป่งมันเลยแหลกไปเลยมันไม่ใช่ร ว, วมอนุนแหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้ขันวันหนึ่งกี่ครัง้งกี่หนก็ไม่ทราบเรื่องอดหารมีอะไรมายุ่งหมู่เพื่อนถ้ักวัวตายยาอดนะ กลัวตายยาอดอดให้รับความลำ บ, บากระวนกระทอกกระเทือนยามาอดไม่ใช่เป็นธรรมนี่เคยอดมาแล้วไม่กระเทือนอะไรไม่ยุ่งกับอะไรแต่ก่อนยิ่งยิ่งไม่มีไอ้เรื่องน้ำอ้อยน้าอ้อยน้ำตาลนเดิ น, นสหาถ่ายภาพมันก็ไม่ได้หรือว่างไงนี่ก็อดมาก็ไม่เห็นตายหรือว่ามันจะตายก็กินห้มันเถี่เนี่ย เลยไม่ไดหาว่เหนื่อยแ